คือได้พัฒนาตัวเองมาโดยวิธีนี้คือเป็นคือเมื่อก่อนเป็นคนไม่ชอบฟังใครได้ยาวถ้าใครมาพูดอะไรยาวแล้วงุนอิดไม่อยากฟังแต่ว่าต่อมามันได้เรียนรู้ว่าการฟังถ้าเราฟังตัวเองเป็นคือบางทีเราเอาเปรียบคนอื่นเราเราคิดคิดที่คิ ด, คดเพื่อที่จะเอาความคิดของตัวเองไปครอบงาคนอื่นแต่พอเรามาเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นมันเริ่มอ่านอ่านตัวเองออก อ่านกายอ่านใจตัวเองออกพออ่านกายอ่านใจตัวเองออกที่มันมันเปลี่ยนเลยมันชอบฟังทีนี้ชอบฟังเพราะคนอื่นที่เขาเขาพูดมาเนี่ย ม, มันมันกระแทกความรู้สึกของเราเราเราได้ศึกษาตัวนั้นแหละถ้ามันกระแทกเราจะไม่เห็นนะที่ที่เราปฏิบัติทาไปไกลๆเราคิดว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วพอเราฟังคนอื่นบ่อยเข้าไปอเข้าเนี่ย มันมากระแทกความรู้สึกอะไรต่างๆเราก็จะเห็นอสวาตัวต่างๆอ๋อตัวนี้เป็นตัวขัดเกลวอย่างดีเลยเอามาแล้วเป็นคนชอบฟังนะก็อยากจะให้ลักษณะอันเนี้ยให้นักปฏิบัติในวิธีการหลวงพเทียนนะเพราะมันเป็นตัวหนึ่งที่ว่าทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมยันฝงสุตตะอะไรนะสุตตะไมยใชปัญญาเนาะอ่าฟังถ้าคนไหนไม่ชอบฟังนี่พัฒนาโดยเองยากนะ แต่การฟังเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นเลยทีเดียวอ่ะเชอบฟังแล้วก็จิตเราเข้ากระแสได้ง่ายเขาว่าสุตตาเนี่ยมันจะเขาว่าโสตะโสตตาแปลว่ากระแสใช่ไหมแล้วมาเป็นโสตาปณะเข้าถึงกระแสของการฟังแต่ตัวแรกลองฟังด้วยเองก่อนฟังกายฟังใจเองพูดให้ได้ก่อนพอฟังกายฟังใจเองพูดเป็นก็จะฟังคนอื่นเป็นพอฟังคนอื่นเป็น มันก็จะกลายเป็นกระแสทำเข้าสู่เราตลอดเลยทีนี้ต่อไปฟังนกเป็นฟังต้นไม้เป็นฟังสัตว์ต่างๆเป็นโอเป็นอย่างเองว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องฟังเป็นเขาว่าโสดาวัน้าไปคนฟังคนเป็นคนเข้าถึงกระแสกระแสใการฟังโสดาบันต่อมาพอฟังเยอะเข้ามาันจะเกิดการขัดการขัดเกลาการขัเกลาไปสู่กัจจินนคานะครับไปตามระดับเลยทีนี้แต่ขอใ ห, ให้ชอบฟังไว้ก่อน คนมาสูตรรมยปัญญาหรือว่าโสตโสตออดิโอวิชวนสูตรทัศนนะมาจากคำเดียวกันหมดเลยนั้นเองก็จากประสบการณ์นั้นเนี่ยามาก็เลยว่าแต่ว่าคุณสมบัติที่ที่จะใช้ในการปฏิบัติเอามาอยากคือเน้นบ่อยนอกจากใช้หลักของพระอาจารยชีแล้วคือทุกอย่างดูที่ที่เหตุเป็นหลัก แม้แต่การพูดเมื่อก่อนก็เลื่อยเชื่อแฉะเป็นเรื่องผลอย่างเงี้ยเหมือนเราจะสอนเขาให้ทําอย่างที่เราพูดอ่ะจริงจมันเป็นไปไม่ได้คือมันนึกถึงตัวเราอ่ะเราฟังธรรมะมาเท่าไหร่อ่านหนังสือธรรมะไม่รู้กี่ร้อยเล่มฟังธรรมะไม่กี่ร้อยมวนถ้ามันจะบรรลุธรรมด้วยการฟังเนี่ยเราบรรลุธรรมไปหลายรอบแล้วมัน้นเถอะเช่อไหม <laughs> ไม่รู้กี่รอบแล้วแต่มันไม่ได้ผลที่เขาพูดมาเป็นเรื่องผลทั้งนั้นอ่ะมันใช่ที่เหตุก็เลยหมอข้าถามพระอาจรย์ชีเราลืมไป ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุมันจะเกิดจะเกิดเพราะเหตุดับอาจารย์ของฉันเนี่ยพูดแต่เรื่องเหตุเตสัญญาโยนิโลโทจะเอวังวัธีมหาสมโนเพาอาจาชี้ถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ใช่ไหมมหาสมโนมหาสมณนะคืออาจารย์ของฉั น, นกล่าวว่าการเกิดขึ้นในการดับของเหตุดูที่เหตุทีนี้นก็เลยมันเน้นในเหตุที่มันค่อนข้างใหญ่สมบูรณ์ามายกมาอ้างเสมอว่า ในโพธิราชกุมารสูตรมันมีอยู่ห้าข้อเอามามาศึกษาในรายละเอียดใครใครมีเวลาไปค้นนะคนพระไตรปิกเกรื่องโพธิราชกุมารสูตรตรงที่ว่าโพธิราชกุมารนนรู้สึกจะเป็นาราชบุตรของราชอรสของพระเจ้าประสิทธิโกศลหรืออภัยราชานี่ว่าเขา ต้องเป็นผู้นําไปลบทัพจับศึกอะไรต่างๆไม่มีภารกิจจะต้องมาปฏิบัติธรรมเนี่ยวันหนึ่งขณะกลับจากไปจากชายแดนมาพาทหารผ่านมาเห็นคนทั้งหลายกำลังฟังธรรมผ่านไปทางเชิดวันเข้าไปฟังฟังจนจบแล้วตอนท้ายหลังจากเขาเลิกไปแล้วท่านก็เข้าไปหาพระธองค์ทำคือประลบตัวเองว่าเป็นคนมีภารกิจเยอะต้องบริหารและกิจการบ้านเมือง แล้วธรรมะที่พระ อ, องค์ตรัสรู้เนี่ยมันจะสามารถถ้าปฏิบัติได้สามารถครอบคุมผึงพวกอย่างกับผมบ้างไหมที่มีภารกิจพื่อหวกิจาเพื่วกุเรียเยอะแ ย, ยะเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างพวกผมเนี่ยปฏิบัติแล้วได้บรรลุเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่ห้าอย่างคือหมายความได้บรรลุไวไม่จะป็นต้องเสียเวลามากห้าอย่างหนึ่งศรัทธาในการที่จะศึกษาเรื่องเหตุของทุกข์ 2ทําความเพียรปราลบพิเหตุของทุกสามให้มีเวทนาเบาบางคืออาพาธน้อยท่านใช้คำอาพาธน้อยคือเวทนาเบาบางนะคือหมายของเวทนามีอยู่แต่ว่าทําให้มันเบาบางเสมอแต่อย่าให้มันสุขหีืให้มันทุกแต่มันเบาบางพอทนได้ถ้าเวลา เวทนาเข้มเกินไปเนี่ยมันก็บีบอีแบบหนึง่งเวทนาสบายเกินไปมันก็ทําให้เราหย่อนยานอีกแบบหนึง่งแต่เบาบางหมายความว่ามันอยู่ระหว่างกลางคือไม่เวทนาไม่เข้มแล้วก็ไม่ไม่เพลินเวทนาเบาบางที่สอันที่สี่เป็นคนตรงไปตรงมาตรงนี้สําคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไอ้ความตรงไปตรงมามันไม่ค่อยมีใช่ไหมทุกคนโคตรมาทั้งนั้นแหละแต่ว่าจะทำไงให้ฝึกนิสัยตรงๆงให้ได้นะ ทั้ใช้คำว่าผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงใช้คำ ว, ว่าสัญชาติเลยนะไม่ใช่เป็นคนนิสัยนะต้องฝึกให้เป็นคนเป็นสัญชาตินคนตรงแล้วก็อันทีุ่ท้ายให้ฝึกสติสัมปัญญะจนสามารถมีความเข้มแข็งพอที่จะเห็นอาการของการเกิดและการดับสติสัมปชญญะนี่ฝึกฝึกมากเลยนะบอกว่าห้าข้อนี่นะ ถ้าท่านทําได้เนี่ยมหาบาพิษทําได้อย่าว่าแต่ปฏิบัติสามวันห้าวันเถอะบางที่ปฏิบัติเช้าบรรลุเย็นปฏิบัติเย็นบรนบรลุเช้าเหมือนกันห้าข้อเนี่ยไปสํารวจให้ดีเอามาก็เลยเอามาเอ๊ะทำไมพระองค์ให้ความสําคัญถึงขนาดนั้นทําให้บรรลุทําไปหนึ่งให้มีสธานในการศึกษาของเหตุของทุกอย่างที่ที่วันก่อนที่มาคุยกับอาจารย์สุภีว่าเราสวดว่าเมื่อใด ทำทั้งหลายปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติผู้เพียนเพ่งอยู่ผู้มีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของผู้ปฏิบัติย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ที่เหตุใช่ไหมยะโตประชานาติสเสห์ดูธรรมังเพราะมารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุทั้งหมดเพราะไม่คือไปรู้ว่ารู้จนแจ้งชัดว่าไม่มีอะไรที่เกิดมาด้วยเหมันมันต้องมีเหตุเราจะต้องศึกษาเรื่องเหตุของมันเสมอเนี่ย ที่เรานั่งมาเนี่ย เ, เหตุมาเน่ยมาได้กล่าวนิประจําเลยต่อหลังเลมันเน้นมัเน้นที่เวทนาเนี่ยเป็นเหตุของการรู้สึกทางกายทุกอย่างก็ศึกษาเรื่องเวทนาเพราะเวทนาเป็นเหตุของของความแปรปว น, นเปลี่ยนแปลงทางกายทางจิตอันที่สองท่านบอกว่านะเมื่อใดผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมือ่อใดผู้ปฏิบัตททิธรรมที่พิจารณาเพียนเ พ, เพ่งอยู่ด้วยสติสมยยัญานเมื่อนั้นทำทั้งหลายแล้วปรากฏ แก่ผ uh. re ู้ปฏิบัติเพราะได้เห็นความสิ้นไปของปัจจัยคําว่าปัจจัยหมายคำว่าเหตุที่มันเกิดออกมาเนี่ยมันเป็นผลท่านใช้คำว่าปัจจัยคําว่าผลเนี่ยท่านใช้คาว่าปัจจัยเพราะนั่นมีคําว่าเหตุปัจจัยกับเหตุผลใช่ไหมเหตุผลเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของรูปแต่เหตุปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของนามรู้สิ้นไปของภาวะที่มันเกิดในนามว่าความคิดมันเกิดขึ้นก็รู้มันเกิดอย่างไร แต่มันเกิดมาแล้วมันต้องมีการดับใช่ไหมให้เห็นการดับมันด้วยให้เห็นว่าไอ้ความคิดที่มันลอยๆเมื่อกี้มันดับไปได้อย่างไรให้เห็นตอนแรกๆมันอาจจะตามไม่เห็นแต่ตอนพอดูบ่อยเข้าไปเข้ามันมันดับไปอย่างไรเพราะมันเกิดแล้วมันต้องดับแต่ว่าเกิดแล้วไม่ดับเป็นไปไม่ได้มันต้องดับแต่เราเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วถ้ามาสรุปคาถาสุดท้ายว่าเมื่อทําอย่างนี้ได้ย่อมขจัดมารและเสนามารได้ มานคืออะไรมา น, ค, น, น, า น, ามานคือนิวรณ์เอสนามานคือนิวรณ์ธรรมานคือราคาโทสะโมหะกําจัดพวกนี้ได้หมดเหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างอ่าเหมือนพระอาทิตย์ส่องสว่างฉะ น, นั้นเหมือนเราจแจ้งขึ้นมาถ้าหากว่าทาตามเงื่อนไขห้าอย่างเนี่ยได้มีศรัทธามีความเพียรมีเวทนาบาบางเป็นคนตรงไปตรงมาต้องมีสติสมัมญาเป็นนิสัยตลอดฝึกตลอดว่ากันเถอะ อันั้นในจุดนี้ที่มานําเรื่องนี้มากล่าวอาจารย์มงคลท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเอามาได้อาจารย์มคงคลนี่ส่วนหนมาฝึกกระทมานะถ้าไม่พบท่านออกมากคงจะแย่เหมือนกันคือคือพระกรรมฐานต้องรู้อย่างนึ่งมีแต่คนเกรงใจและมีคนเดอดคนเอาใจใช่ไหมมีอะไรก็ประเคนบูชาแล้วพระกรรมฐานก็มมกจะหลงโดยเองนะพระหลงโดยเองแล้วมันก็ไปคนละเรื่องเลยแต่ว่าพระที่มาฝึกหัดมาฝึกกระทมาในที่ฝึกหนักหนักน ก, ก็เป็นเจ้าสํานักทรกองนะ แต่อาจารย์สุริยาหลวงตาหนักกว่เพื่อนอาจารย์ไกศิลที่เจ้าสานักที่แพทย์แสงเทียนตอนนี้อาจารย์แล้วก็อาจารย์ดวงศิลที่เจ้าสำนักที่โคกดินแดงนะแล้วก็อาจารย์มงคลนี่รอดอย่างบูดวิ่นมากเลยพราะปะทะกันแหรงมากคือ <c oughs> ท่านเป็นคนตรงไปตรงมาแต่อาาัตมาก็เป็นคนไม่ค่อยตรงใช่ไหมแต่อ า, ายัยท่านกระทบกระแทกบ่อยๆแล้วก็เริมตรงตามท่านไปด้วย แล้วในวิธีการหวงพ่อเทียนมาชอบอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเข้าสู่วิธีการหลวงพ่อเทียนนะมันไม่มีมายาสาไถยในความมายาสาไถเสแ ส, แสงปกปิดมิดเมียนหกเม็ ด, ม ด, ม ด, มดอะไรพวกนี้ไปไม่ได้ทั้งนั้นเลยพวกนี้นะแล้วอาจารย์กรรมฐานที่เราเจอ90เซนต์มันมีมายาซึ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนะี่ยเอามาเจอคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาอามาเจอตรงนี้มีหวัง นะแต่มันไม่ได้ตรงม า, ม า, มาแต่โต้นหรอกนะแต่พอเจอ <iele> คดเ ม, มื่อไหร่มันถูกรีดอ่ะคดเท่าไหร่ถูกตัดโคดเท่าไหร่ถูกบีบโคดเท่าไหร่ถูกรีดออกรีดออกมันก็เลยเริ่มตรงเข้าตรงเข้า ต, ตรงทีนิดีนิดจที่สุดจนจนกลัวความคดนั่นแหลนะฮตรงไปนิสัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องข้อสังเกตอย่างเงี้ยตรงไว้ตรงมา ถ้าไปเห็นพระกรรมฐานที่สงบสงเงี่ยมเรียบร้อยกระมิดกระเมียนส้ำรวมอะไรเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายนะฮะว่าของจริงหรือเปล่าอะไรนะั่นน่ปีนี้ใสยดั้งเดิมหรือเปล่าหรือว่าถ้ามาทำต่อหน้าเราแค่นี้องเอ า, าก็จะตามดูไปเรื่อยๆพอไปถึงหลังแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองคือหลักในการพิสูจน์ผู้ไั้างข้อสังเกตไว้สองอย่าง หนีสลสามัญญาตาคือเข้าไปอยู่ร่วมกินร่วมแล้วนอนร่วมอะไรอยู่ด้วยกันสักพักเราถึงจะรู้นี่ใส่ใจคอนิดหลักศีล่าสามัญญาตาอันที่สองเอเวลาเลยมั้นะที่ถี่สามัญญายาตาอีกนิดหนึ่งที่ถี่สามัญญาตาให้มีโอกาสได้พูดได้คุยได้ซักถามปัญหาได้ตอบโต้ได้ถกเถียงสภาวะธรรมของกันและกันถ้าสมมุติว่าสองอย่างเนี่ยถ้าเรา เชื่อถือได้หมายความว่านั่นแหละเป็นตัวข้อพิสูจน์แต่ญาติโยมทั้งหลายจะมีโอกาสไปกินร่วมนอนร่วมอยู่ร่วมกับท่านมีไหมยากอ่ะเนอะมันไม่ได้แต่ข้อที่สองพอได้ใช่ไหมได้ถกได้ถามแต่ในช่วงที่ถกที่ถามที่ซักไซสข้อธรรมะต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีอาการต่างๆให้เห็นใช่ไหมดูสีหน้าแววตาดูคนไม่ใช่ดูแต่คำพูดนะฮะดูทั้งหมด ดูอากาบกิริยาสีหน้าแววตาที่แสดงออกเนี่ย ม, มันบอกถึงความในใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่อันนี้ทฤษฎีของธรรมานะใครไปใช้อาจจะใช่ถูกใช้ผิดได้นะเพราะนั่นเองพระเราที่บทกนเยอะแยะแล้วบรรลุธรรมยากเนี่ยพอได้รับการดูแลการเอาใจแล้วเกิดการปกปิดตัวเองอะ่ะแล้วมันเกิดมายาสาไทยเราไม่ตรงตร ง, ตรงนี้ปิดประตูศัธรรมเลยปิดประตูศัธรรมเลยนะ ฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยเป็นอโอกาสของพระครั้งปฏิบัติใหม่และครูบาอาจารย์ให้โอกาสท่านเต็มที่นะแล้วในช่วงสายเราค่อยมาตกลงกันว่าวันเนี้ยเราจะบริหารจัดการเวลาอย่างไรให้มันเสร็จก่อนเพลนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับสั้นจนกระทั่งว่าไม่มีไม่มีเนื้อหาสาระนะฮะต้องได้เนื้อหาคนไหนพูดได้เนื้อหาสาระแล้วก็ปล่อยเวลาให้เลยแต่คนไหนรู้สึกว่า เนื้อหาสาระไม่ชัดเจนน้อยไปหน่อยก็อาจจะตัดเวลาลงลักษณะอย่างนั้นนะแต่ว่าเนื้อหาสาระขึ้นใหม่เก็เข้าเข้าสู่หลักที่เป็นปัจจุบันบางทีสามารถจะให้เราได้ในสิ่งที่รายงานในสิ่งที่บอกเนี่ยว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นก็จัดรูปแบบยังไงเดี๋ยวทานอาหารเสร็จประมาณสักแปดโมงพร า, านะเราค่อยมาตกลงกันอีกที